อายะที by, ah. in in ah ่90อ ah ่านไป5อายะฟาสตาจับนาเลหูมาถึงว่อินนาเลหูกาติบุฟาสตาจับนาเลหูอายะที่90สุราที่21สุราอัลอัมบิยะ ت َ ج َ ب ن َ ا لَهُ و َ و َ ه َ ب ن َ ا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانون إِن م كانوا يسارعون في الخيرات. ويذعوننا رغبا ورهبا. ويذعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. والَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا เราจงนาِิกาแ م ะนาฬิกาที่มีอยَู่นโลกนี้ و ่านารับบุคุมฟะบูดุนว่าตะกัตตอง م ัมราหุมไปน ع หุมกุลุอีลนารอี่า ف َ ال م َ ن ْ ي َ ع ْ م َ ل ْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا ك ُ ف ْ ر َ ا ن َ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ بِسْمِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح م ن ا ل ر ح ي م อ ن นนั่ล حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إ ل إلا ل ل ه و ح د لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و ر س و ل ا ل l a h u m m a biku أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 พี่น้องที่ร่วมนมาสุบที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นพี่น้องต้องชุกรขอบคุณต่ออ AH ัลลอฮฺ س ه และก็ ت ع ا าที่อัลลอให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนอันประเสริฐได้มีโอกาสได้ถือซุนโอดในเดือนรอมาอลได้มีโอกาสได้นมาตารวิ ح. ได้มีโอกาสได้อ่านอัลกุรอานเพิ่มขึ้นได้มีโอกาสได้ทานอาหารพร้อมๆกันกับคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่หายากมากในเดือนธรรมดาตอนแก้บวชก็ทานอาหารพร้อมกันระหว่างคนในครอบครัว ตอนอาหารสะพดก็มีโอกาสได้ทานอาหารพร้อมกันซึ่งการทานอาหารพร้อมกันเนี่ยในเดือนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะยากมากครับห้ามดุลิลล่ะนี่เป็นเนื้อมาดทั้งหมดถ้าเราคิดนะห้ามดุลิลล่ะได้มีโอกาสได้มานามาดซุบะที่มัสยิดซึ่งนามาซุบะที่มัสยิดเนี่ยสําหรับคนที่เป็นมุสลิมสำหรับคนที่มีอิมาเยอะๆมันของธรรมดา แต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มามัสยิดเนี่ยถือว่าการมานะหมารวมกันที่มัสยิดเนี่ยมีผ ล, ลบุญอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จะเกิดต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ทบทวนอัลกุรอานนะครับเนี่ยทบทวนอัลกุรอานเนี่ยเป็นอิบาดะและทบทวนอยู่ในบ้านของอัลลอห์ด้ว ย, ดยู่ในมัสยิดขออง Allah, ววะฮะ ในหะดีษของท่านนาบีได้พูดชมบอกว่าย่ตาดารอสู้น่ะใครก็ตามที่นั่งทบทวนนะครับจะเป็นทบทวนกุรอานทบทวนฮะดีกษ ก, ษกษ็ตีอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาจาเด้ออัลลอฮ์นะครับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์นั่งทบทวนอัลกุรอานหรือว่านั่งทบทวนฮะดีษหรือว่าให้ความรู้กันเนี่ย นะครับมีผลแลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากครับขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้ทบทวนกุรานวันนี้มาถึงสูร่อัลอัมบียาสูราที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาอยู่นะครับขอลาไปทำอุมรออ์อ่ากกลับมาแล้วทลโดยเรลยลาปลอดภัยก็ขอชมกษัตริย์นะครับซัลมานนะครับ ของซาอุดีนะ่ะที่เชิญคนไทยไปประกอบพิธีอมร้องทั้งหมดไปกัน38คนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นประธานจังหวัดอ่าประธานจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัดซึ่งผมนี่เป็นคนเล็กที่สุดไม่มีตําแหน่งอะไรสัก อ, อย่างหนึงอาศัยไปกับเขาด้วยอัลฮัมดุลิลละตําแหน่งเราคือตุศยากว่าซูเราแนละ้วก็คือน้องเปิดประตูปิดประตูเรียกตำแหน่งผมนะครับ ล้างส้วมในตำแหน่งผมนะครับปิดประตูแต่เป็นตำแหน่งของผมมันทำดูริแล้วแล้วก็รับชายโรงเรียนาศาสนูประถมแล้วก็รับชายดูแลคนยากคนจนนี่เป็นหน้าที่ของผมได้มีโอกาสได้ไปประกอบพิธีอุโมะค์ทำดูรีแล้วขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานอลัลาะก็ตอนรับดีมากครับขอบคุณอัลลอฮฺนะครับที่เราได้ มาอ่านคุรานวันนี้มาเริ่มที่อายะที่90นะครับฟาสตาเจบนาเลหูวะวะั์บนาเลหูย์ย์ฮิยาว่าอัลละห์นาเลห إ ส ن َّ ه อ م ْ ك َ ا ن ُา ا ي ُ س َ ا ر ِ ع و ن َ في الخيرات و ََ <ت ص في ق> ج دعونا ََ ن رغبا َ ورهبا ََ وكان ََ لنا خاشعين و َ و َ ف ت َ ج َ ب ن ا له ووهبنا له ُ يحيى َ وأصلحنا َ له َُ زوجة َ อินทร์ม <a> <ies> <started at> <bubble> ุม كانوا ยุสาร์งน์ในขีรัตวยดยงน์นาระบะวะรหบะว์แค้นูลนาขชยินอัลฮัมดุลิลลาอ้ายาเดียวมีหลายเรื่องนะครับอ้า a าเดียวเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับเอามาดูกับดูด d ดูคำแปลก่อน ฟัสต aja บันาแลหูอิสต aja วายสต aji ปุเพว่าดังนั้นเราได้ตอบรับฟัสต aja บันาแลหูปลว่าเราได้ตอบรับกําลังจะอธิบายเรื่องของนบีพี่น้องเรื่องของนบีซักกะริยานาบีซักกะริยาเนี่ยแก่แล้วพลรยาก็เป็นหมันแล้วลูกไม่มี z a ก a ร i ยาเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงศาสนาของอัลลอฮ์เป็นห่วงนะพี่น้องนะไม่ได้เป็นห่วงดุลยานะเป็นห่วงศาสนากลัวว่าถ้าหากนาบี z a ก a ร i ยาเสียชีวิตแล้วคนที่จะมาดูแลคนมาดูแลเป็นห่วงคนพี่น้องกลัวว่าคนเนี่ยจะทิ้งศาสนาเจะหวังจากคนอื่นเนี่ยลําบากจะหวังจากบัดนั่นบัดนี้บัดนี้บาด น, นั้ น, น, นหวังไม่ได้พี่น้อง ก็เอาขอดูอาให้กับตัวเองอย่ารออยากจะมีลูกสักคนหนึ่งเมื่อลูกได้มาลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยรับผิดชอบงานศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องอย่างนี้เนี่ยเอาล่อเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีมาสอนสุฮับะแล้ววันนี้เรื่องอย่างนี้มาถึงพวกเราเตือนพวกเราว่าเวลามีลูกเนี่ยพี่น้องให้ลูกเนี่ยคิดเรื่องอะไรก่อน เราเนี่ยเวลามีลูกเนี่ยเป็นห่วงต้องให้ลูกเนี่ยเข้าใจาศาสนาะ่ะและต้องให้ลูกเนี่ยไว้รับผิดชอบงานาศาสนาของอัลลอด้วยนะครับนี่แหละคือเป็นอะไรนะเป็นวิถีชีวิตของมุสลิม น, นะครับเอามาดูนะะบีสะกริียาอายุแก่แล้วพยาก็เป็นหมันเขาขอดูอาว่าจะได้ลูกนะ่ะถามว่าได้หรือไม่ได้คำตอบฟัสตาญาบนาลูเราได้ตอบรับการขอพรของเขา ทำดูเรื่อไปน้องทีนี้คนที่จะขออุทิศแล้วอัลลอฮ์รับนะ่ะคนประเภทไหนพี่น้องการขอดุอานะี่ไปน้องเป็นเรื่องที่สําคัญนะต้องขอดุอาพวกเราต้องขอดุอานะทำดูเรื่อคนขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับการการขอดุอานะ่ะมีอยู่ห้ารายการก่อนก่อนที่จะขออุอานะระหว่างขอมีอีก ก่อนที่จะขอทำตัวยังไงก่อนที่จะขอดุอาหนึ่งต้องเช็คเรื่องอาหารของเราอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยเป็นอาหารที่ได้มาจากมันมีอยู่สองทางฮารอมกับฮาราลฉนันคนที่จะขอดุอาต้องทานอาหารที่ฮาราลก่อนเรื่องที่หนึ่งสองเครื่องดื่มเนี่ยคน้องต้องได้มาจากทางที่ฮาราลสอง สามเสื้อผ้าที่ใสอยู่ที่สวมใส่ต้องได้มาจากเงินที่ฮาลาลข้อที่สีหัวใจระหว่างที่จะขอนี่พี่น้องต้องใจต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนะครับแล้วก็อย่าให้เป็นคนที่ใจลอยข้อที่ห้าระหว่างที่ขอเนี่ยต้องมั่นใจว่าอัลลอ์รับฉะนั้นนบีจากรียาทำแบบนี้พี่น้องถึงอัลลอฮ์ฟัสต์จาบนาละหูเราได้ตอบรับคำ ขอพรของนบีจักรียาพอรับปับเป็นไงครับวาวาฮาเบนาลาหูยะฮยาและเราก็ได้ประทานที่ขอนขออยากได้ลูกอัลลอฮ์ก็ให้ตามที่ต้องการวาวาฮาเบนาลาหูและเราได้ประทานให้แกสักรียาไป้องครับคือดนะ้ ยะฮิยาให้ลูกมาอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อยะฮิยาอัลฮัมดุลิลลาแสดงว่าขอแล้วอัลลอฮ์รับด ع อาเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเป็นการบอกให้กำลังใจพวกเราวันนี้แหละถ้าขอ د ع า ء ด้วยความบริสุทธิ์ใจขอ د ع อาแล้วเสื้อผ้าที่ใสาอาหารที่กินเครื่องดื่มที่ฮาลาลนี่ขอเถอะและตั้งอกตั้งใจนะอัลลอ์รับไหมรับครับตัวอย่างในอดีตเนี่ย เป็นเครื่องบ่งชี้ให้รู้ว่าถ้าคนที่ขอนั้นเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์รับด ع อนะครับล้าขอเรื่องลูกเนี่ยคิดดูนะแล้วก็ภรรยาก็เป็นหมันด้วยแล้วก็แก่ด้วยยังให้ได้อ่าแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยการด ع อาเนี่ยการข อ, อเปลี่ยนแปลงอะไรนะเปลี่ยนแปลงกระดัษของอัลลอฮ์อาลาได้ครับแล้วต่อมาครับ วะอัลละหนาละหูเ้าเจาหูและเราได้บำบัดอัลละห์ ا. แปลว่าอะไนะทำให้ภรรยาของเขานั่นเหมาะสมที่จะมีลูกได้ทั้งๆที่อายุแก่แล้วเป็นหมันด้วยไปน้องพอขอปั๊บเนี่ยความหมันหายแก่ไปหายกลับมาเป็นคือ มดลงมดลูกเนี่ยกลับมาเหมือนสาวๆเลยไปน้องอันนี้เอาล่อให้นะในตัฟซีตอธิบายยังไงรู้ไหมอัลลาฮาลิลวีลาดานางเนี่ยภระยาของนบีสากริยาเนี่ยเหมาะสมที่จะมีลูกได้ฮามดุลิลละในตัฟซีต บ, บางเล่มอธิบายบอกว่ากลับมาเป็นสาวกลับมาเป็นสาวหมายถึงมดลูกของนางเนี่ยเป็นสาวเหมือนกับเหมาะที่จะมีลูกได้ าตัวลงว่ามีอยู่สองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งขอดูอาแล้วอัลลอฮ์รับเรื่องที่สองภรรยาที่อะไรนะเป็นหมันแล้วก็แก่ชราเนี่ยเหมาะที่จะมีลูกได้ว่าอัลละหนาแลหูเจ้าจ้าหูและเราได้บำบัดทำให้ภรรยาของเขานั้นหายดีสำหรับเขาคือไม่เป็นหมันต่อไปอัลฮัมดุลิลัยไม่ต้องดูอานี่เปลี่ยนแปลง กดัดนะเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติได้ด้วยนะครับขอบคุณอัลลอฮฺพี่น้องครับขอดูอาอัลลอฮฺรับเลยแล้วของเรารับไหมรับถ้าหากว่าเราใจสะอาดเสื้อผ้าสะอาดอาหารสะอาดคำว่าสะอาดต้องได้มาจากเงินที่ฮาราลนะเงินฮารอมพี่น้องอย่าพาเข้าบ้านเลยนะพี่น้องครับเงินฮารอมมีอะไรบ้างหวยใช่ไหม <laughs> หวยทุกชนิดไมว่าบนดินใต้ดิน รัฐบาลเนะ่เปิดไฟเขียวได้ไม่บาปนะใ น, นรัฐบาลนะแต่เราต้องยิ่งกว่ารัฐบาลเอกอะไรที่รัฐบาลอนุญาตให้ทำนานคาสินโนจะมาอีกแล้วใช่ไหมเราเล่นได้ไหมเราไม่รับฟังอย่างเดียวอ๋อนี่ของขาลามมาใหม่มอีกแล้วสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือลูกของเราลูกของเราเนี่ยลูกจะดึกว่าโอ้ยอคาสินโนมาใหม่มีกแล้ว อัลลอฮ์นำมาแหลงการพนนันแหล่งฮอร์รอมเท่านั้นเราะะนั้นเจต้องอบรมาศาสนาในครอบครัวของเรานะครับเอาต่อมากับอัลลอฮ์ชมอินน a h ุม a แกนูยูุสริ ع น ن ฟิลขัยรออัลลอฮ์อักบัติอักนี้สําคัญที่สุดอินน a h o m แปลว่าแท้จริงเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายมีใครบ้างหนึ่งซากริยา สองภรยาของเขาสามใครครับยะหยากลายเป็นสามคนอินนาหุมแท้จริงพวกเขาสามคนหนึ่งนบีักริยาสองภรยาของเขาสามลูกของเขาชื่อยะหยาเนี่ยยูซาริอุนฟิลคยรอดเขาทั้งหลา ย, ย ท, ทั้งหมดสามคนเนี่ยยูซาริอุนแปลว่าแข่งขันกัน ซารายูซาเราียะแปลว่าแข่งขันกันพี่น้องอยูซาเรานะียวนาแข่งขันกันฟิลคอยรอดในการทําการดีทั้งหลายอัลลอฮฺุบอัลบแข็งแยรงครับเป็นคนดีด้วยแล้วขอทุกอาอัลลอ์รับไหมรับสัดะปิสกัียาก็เป็นคนดีพระยาก็เชื่อฟังตองอาตอสามีได้ลูกมาไปน้องกายเป็นคนดีทั้งสามคนเลยสามคนนี่ เป็นยังไงครับอัลลอฮ์ชมนะกรับเบลกูนานอยู่ซาเรียวนะฟิลคอยรอดพวกเขาเป็นคนที่แข่งขันกันถามความดีอัลลอฮฺอักบัดขเดือนอุตร์เนี่ยพวกเรามาเนี่ยะนั้นภรรยาต้องบวชสามีก็ต้องบวชลูกที่อยู่ในคอนโทรลเราก็ต้องถือสินอดบางคนถือไม่ไววเอาฝึกครึ่งวัน ระวางตั้งแต่เช้ามาถึงเที่ยงเนี่ยบอกลูกโตไม่กินอะไรนะถึงเป็นบวชเลยนะผมพบกับครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวทีรราาร่รับอิสลามจากอเมริกามารับรับอิสลามจากอเมริกาแล้วมาอยู่ประเทศไทยประมาณสักสองสามปีผมได้รู้จักนะ่ะเขามีลูกเล็กๆนะ่ะตั้งแต่ใจสามครัวสี่ครัวหกครัวถึงเก้าครัวพี่น้องเขาให้ลูกลูกนี่บวชครึ่งวันนะ่ะเพราะลูกก็ยัง ยังไม่โตเลยนะเขาจับยืนจับนาฬิกาเลยเอาลูกได้เวลาเลยนะคือผือบวชครึ่งวันเอาอาหารมาวางพอสิบสองโมงครึ่งปั๊บเอาลูกกินอาหารได้เขาทำเป็นระเบียบอะไปร้อดูเลยไปร้องนั่นมุสลิมใหม่นะไปน้องนะเอาลอร์ามนึกใ้เรานี่ถ้าลูกไม่ได้บวชนี่กินตอนไหนก็ได้น่ะแต่ของเขาไม่น่ะให้บวชตั้งแต่เช้าว่าถือกลางวัน พอกลางวันให้ลูกละสัอดแล้วก็ต้องมีวิธีด้วยนะไปน้มาดีเรียบร้อยอาบน้ำน้ำมาดเอามานั่งแล้วก็เอาถือบวชครึ่งวันเอาทำดลูลายไปน้องนั่นคนที่เขามีความรู้ไปน้องครับเอาอิสลามไปใช้แบบบ้าบอลลบางวันมันมีระเบียบมาดูพวกเรามันก็มีระเบียบบางบางครอบครัวบางครอบครัวก็สเปะสปาไปน้องเนี่ยอยากจะให้นำเอาเรื่องเหล่านี้นมาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับ อินนาฮุมกานูยูซาเดียวนฟิลคอยรอดแท้จริงพวกเขาทั้งสามคนเนี่ยพี่น้องแข่งขันในการําความดีฉะนั้นพวกเราถ้าอาวญยวนี้มาใชา้คนระอบครัวเราต้องนมาสต้องอ่านอัลกุรอานต้องแต่งกายให้มิดชิดถ้าเป็นภรรยาลูกสาวต้องออกจาก บ, บ้านต้องแต่งกายให้มิดชิดแล้วก็ดูอาก่อนออกจาก บ, บ้านต้องสอนลูกอีกนะครับ บิสม al ah ิลลาฮิร์ราะห์มะถุะาะลลอฮิวะลาฮูวะลัยวะลาฮฺุตะิลลาบิลลาฮฺดูอาขึ้นรถต้องสอนอีกลูกจะมามัสยิดต้องเตือนลูกเข้ามัสยิดด้วยเท้าขวาอ่านดวอาอัลลอฮุมะฟตัฮ์ลีอับุวาบาระห์มัติกะมานั่งในมัสยิดอย่านั่งหลับมันก็ต้องอบรมกันต้องบอกกันต้องเตือนกันกินนาฮุมยูซาลีอัน้ฟิลไครอดพวกเขานั้นแข่งขันในการ สร้างความดีนะครับพี่โนโ อ, อันนี้อัลลอฮ์ชมแล้วต่อมาอีกอัลลอฮ์ชมเรื่องที่สามวายเดานานาอัลลอฮ์ <Allah. S 2> พวกเขาทั้งหลายนั้นวิงวอนได้ไหมยาดานานานบีสุขรียาเนี่อบรมตัวเองอบรมภรรยาอบรมลูกให้ทำอะไรครับให้ขอดุทาต่ออัลลอฮ์นี่เป็นแนวเอาไปใช้ในครอบครัวเราได้ไหมได้เลยครับ ถ้าท่านพ่อต้องขอดูอาลูกก็ต้องขอดูอาแม่ก็ต้องขอดูอายาดานานาการขอดูอาแบบไหนครับที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์เล่าเลยนะครับรอกอบันอัลลอฮ์อักบาร์พี่น้องรอกอบาลรออัลพี่น้องแปลว่าอะไรนะพี่น้องรออัลรออเนี่ยพี่น้องแปลว่าหวังอย่างจริงใจ อ๋อเหมือนลองด้วยใจที่หวังอย่างจริงใจหวังจากอัลลอฮ์ไปน้องออบแปลว่าหวังอย่างจริงใจต่อความเมตตาของอัลลอฮ์คำว่าหวังเนี่ยหวังว่าอัลลอฮ์จะรับดุอาของเรายเรื่องที่หนึ่งนะครับต่อมาครับวารอฮาบันรอฮะแปลว่ามีความกลัวด้วยหวังด้วยแล้วก็กลัวกลัวอะไรครับกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับหวังว่าอัลลอฮ์รับ และอีกอันหนึ่งก็กลัวว่าอาลัลลอฮฺจะไม่รับหนึ่งหวังว่าอาลัลลอฮฺรับแน่ๆอันที่สองกลัวว่าอาลัลลอฮฺจะไม่รับมันก็นึกสิเอฉันเนี่ยทำทำผิดไว้เยอะทําผิดไว้หลายข้อเนี่ยวันนี้ขอดูอาเนี่ยอลัลลอฮฺจะรับหรือเปล่ากลัวว่าอาลัลลอฮฺจะไม่รับโอเป็นน้องครับนี่ไงมารยาทในการขอดูอาเนี่ยข้อที่หนึ่งรอกอบันนะครับ ด้วยความหวังอย่างจริงใจต่อความเมตตาของอัลลอฮฺมาญาติข้อที่สองรอฮันมีความกลัวต่อความไม่พอใจของเรางเราเนี่ยอัลลอกลัวว่าจะไม่พอใจในงานที่เราทำไงไปน้องในความดีที่เราทำกลัวว่าเราจะไม่รับไปน้องในข้อที่สองนะข้อที่สามวกานูเลน่าข้าเชิง และเขาทั้งหลายเป็นผู้ถ่อมตนขอเชื่อแปลว่าถ่อมตนล้นะแก่เราตกลงว่ามีอยู่สามสี่ฝัตอาย่านี้มีอยู่สามลักษณะในการขอดุทิศต่ออัลลอฮ์นั้นต้องมีเรื่องสามเรื่องหนึ่งอะไรครับรอกอบันใจนั้นมีแต่วความอะไรนะมีความจริงใจในการขอคือคำว่าจริงใจในการขออธิบายอย่างนี้อย่านึกว่าอัลลอฮ รับก็รับไม่รับก็ตามใจอย่างนี้อย่าอย่าขอวละขอปั๊บต้องนึกเลยเอาละให้แน่ทำอยู่ดีแลาวเอัลละให้แน่แน่ครับแล้วก็ข้อที่สองกลัวอีกอยช่าลอฮ์ฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับเนี่ยดูอาที่ขอวันนี้เนี่ยใม่หไหมไปน้องนี่ข้อที่สองข้อที่สามนอบนอบ้อมทองตนต่ออัลลอฮ์เอาละไปน้องนี่ไงสามเรื่องด้วยกัน นี่เป็นลักษณะเ็าเรียกว่าอนะมารยาทของคนที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์คำว่าคอชียรเนี่ยไม่โอหังนอบ น, อออ น, ออน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่โอหังต่ออัลลอ์สุบฮานอหุบะตาอลาพี่น้องครับคำว่าไม่โอหังเนี่ยต้องร้องไห้ร่วมบ้างนะฝึกร้องไห้่ะยาอัลลอ อ ล, ล๋อนี่เราไปนมาดที่มะกากว่าดีนมาดที่มาดิน่าพี่น้องไปเจอคนที่อิหมามพี่เขาเขาเข้าใจศาสนาเมื่อที่อ่านเราเจอร้องไห้อ่ออ๋อลลเรากรใจกยก่อสีไปด้วยพี่นอ้องก็อพลอยร้องไปด้วยใช่ไหมคำเดียวดีแล้วเนี่ยหัวใจพี่นอ้องอ ล, ล๋อวัดวัดสรุปในอาย่านี้นี่ในพี่น้องนะ <c oughs> มันมีอยู่กี่คํานะรออบันวารอบันอ่ามีสองสอง สองอนนะสองะสรายการที่ยิ่งใหญ่หนึ่งขอดูอาแล้วหัวใจมีความหวังว่าอัลลอ์รับแน่ๆเรื่องที่สองกลัวว่าอัลลอ์จะไม่รับความดีที่เราทำหรือ ก, การขอดูอาของเราข้อที่สามขอเชีย์อินไม่ไรนะไม่โอหังให้นอบน้อมและทอมตนสรุปนะสรุปพี่น้องสรุปจากเนี่ย จากสมรายการนี่รอกรบันวารบันวาการูแลนาะคอเชิญอุลมามะที่อธิบายเพิ่มอย่างนี้ในการขออุดร์นี่มีทั้งหมด5รายการอ่าเป็นน้องเขียนบันทึกไปเลยนะหนึ่งหรายการข้อที่หนึ่งขอขอดุอานั่นต้องเสียงค่อยค่อยเบาเบาคุฟเฟียขออุดร์น้องต้องเสียงเบาเบาเสียงค่อยคอยนี่เป็นมารยา ที่กุณอ่านเล่ามให้ฟังข้อที่หนึ่งขอโดยเสียงเบาๆค่อยๆข้อที่สองมีความหวังอย่างจริงใจว่าจะได้รับการรับจากอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งเสียงเบาข้อที่สองหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์นะครับข้อที่สามมีความกลัวว่าอัลลอ์จะไม่รับนะครับข้อที่สี่ เขาเว่าอิลฮาให้ขยันขยอขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกออลมีพี่น้องพี่น้องครับใคาไปเดินตะว่าปเนี่ยเขาขอทุ่อาบทเดียวน่ะขอทุ่อาบทเดียวรออักวัตอ่าเช่นตะว่าบครั้งแรกเนี่ยขอให้กับตัวเองขยันขยอแล้วก็แต่ละรอบแล้วก็ไกลนะไม่ใช่ป่ะน่าจะเบียดกับคนที่น่ะ ไหนจะเดินผมเดินชั้นๆัสองก็ได้ประมาณสักสี่ถึห้านาทีบางทีก็ชั่วโมงเดินเดินช้ากว่ชั่วโมงหนึ่งนะันารอบนั่นเป็นน้องนะเจดรอบนะนนะบนะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแต่ละเนี่ยแต่ละรอบ น, ะนึงใ ห, ให้กับให้กับตัวเองสองให้กับลูกๆูสามให้กับภรรยาสี่ให้กับโรงเรียนห้าให้กับมสัสยิดพุกน้องหกให้กับพี่น้องชาวคองเครปทั้งหมดรอดพี่น้องต้องโค่นะายพี่น้อง ขอเรื่องเดียวหน่อยพี่น้องอัลลอฮฺอักบาร์ฉะนั้นอิหฮามาถึงขยันขยออัลลอฮฺจะอัลลอฮฺจะช่วยนะนะอัลลอฮฺจะ ja. ช่วยแก้ไขปรับปรุงสังคมให้มันดีขึ้นอัลลอฮฺอักบารต้องขออาข้อที่หนึ่งขอเงียบๆข้อที่สองขอด้วยความหวังอย่างจริงใจที่จะได้รับข้อที่สมขอแล้วมีความกลัวว่าอัลลอฮฺจะไม่รับข้อที่สี่ขยันขยอรอบเราบอัลลอฮฺ ข้อที่ห้ามีหัวใจที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺ سبحانه และกูฏาลาห้าข้อครับพี่น้องระหว่างที่ขอต้องมีกี่เรื่องนะห้าเรื่องก่อนขอห้าเรื่องระหว่างขอห้าเรื่องนะครับพี่น้องทั้งหลายแล้วขอทุกครั้งต้องลงท้ายด้วยไงนะอาเมนอัลลอฮฺจะโปรดรับถวายของข้าพเจ้าด้วยอัลลอฮฺพี่น้องครับอายาเดียวน่ะสอนกี่เรื่องเห็นไหม เรื่องที่หนึ่งการขอดุทิศที่อัลลอฮ์รับอัลลอฮ์ให้สั่งให้ปฏิบัติยังไงข้อที่สองนะครับแข่งขันกันทําความดีคนที่แข่งขันการทาความดีเนี่ยอัลลอฮ์ขอมาออรับหมดเลยนะอา้าวนามาสะอาดถือศีลอดอ่านคุรุอ่านดิกรุลละทําดีกับพ่อแม่ทําดีกับลูกๆอัลลอฮ์พี่น้องนี่เป็นความดีทั้งหมดพี่น้องทําสม่ําเสมอเป็นกิจวัตรประจำวัน เอาต่อมาครับายที่เท่าไรนะ91วันละที่อาสนัชฝั่งเฟานัฟข์นาฟีเฮมิรูหินาวะจัลนาเฮวบนาเฮอายต์ละลิลกาลี والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها منروحنا وجعلناها و ب ن ه ا آية للرمل อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เรื่องที่สองอายนี้พูดถึงเรื่องนางมาริยม เรื่องแรกเรื่องนบีซการียานะครับและการขออุนองของท่านบอกวิธีเรื่องอายาที่เก้าสบเอ็ดเรื่องของนางมารยมและนบีอไอซาอะลัยฮิสสลามไอไมพี่น้องคนละสมัยอ่ะเอามาเล่าทำไมไม่ให้เราเป็นโรคอะไรนะอัลไซเมอร์ก็ได้คิดนู่นคิดนี่จะไม่ปีน้องทั้งหลายอัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังให้นบีเอามาสอนสุฮาบะ วัลละทีอัชซันัตฟาร์จาและจงรำลึกถึงหมู hammad เอ้ยอัลลอฮ์บอกกันนะบีมู h a ม m a d นะจงเล่าเรื่องราวของใครครับนางมารยัมนางมารยัมเนี่ยเป็นไงครับอัชซันัตฟาร์จานางเป็นผู้รักษาความบริสุทธิ์ของนาง อัลลอฮ์รักษาความบริสุทธิ์นางไม่ได้แต่งงานพี่น้องแต่มีลูกได้นางไม่ได้แต่งงานนะนางไม่ได้แต่งงานามาเลยก็มาเป่ามานะเป่าแล้วนะเป่ารั้ว ح. ลงมาทาให้นางท้องได้ในะพี่น้องต้องการจะบอกว่าถึงความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานะอู ว, วาตอะแลพี่น้อง <c oughs> อัลลอฮ์นี่ยมีความสามารถสร้างมนุษย์มาในอยู่มีอยู่สีแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งสร้างนาบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่ในแบบที่หนึ่งทุกคนยอมรับหมดข้อที่สองสร้างโตเฮวาภรรยาของนบีอาดัมผ่านพ่อไม่ผ่านแม่มีพ่อแต่ไม่มีแม่เอาซิคโครมของนบีอาดัมออกมามาคลอนนิ่งเป็นอะไรนะ เป็นนางฮาวะนี่ความสามารถของใครของอัลลอฮฺ سبحانه และกูส์อัลลประเภทที่สสร้างนาบีอีซสผ่านนางมารยยมแต่ไม่มีพ่อนี่ความสามารถของใครนะของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและกูสอัลอฮ์เอาความสามารถอันที่สีสร้างพวกเราวันนี้มีทั้งพ่อและมีทั้งแม่อยู่ในมดลูก อัลฮัมดุลิลลาน้องหลายนี่งการสร้างของอัลลอ์มีอยู่สแบบฉะนั้นเป็นการปฏิเสธเป็นการปฏิเสธอารติดาของชาวพี่น้องชาวคริสเตียนอันนี้นะครับเป็นการบอกปัดเลยว่าที่คุณเชื่อนะ่ะผิดนะนบีอินลานะ่ะเป็นลูกของนางมารยมไม่มีพ่อเป็นความสามารถของอัลลอ์แต่พี่น้องชาวคริสเตียนเราบอกว่า น บ, บีอิซาเป็นลูกของใครอ่าเป็นลูกอัลลอฮ์ดีกว่านั้นแหะเปอัลลอฮ์เป็นลูกอ AH, ักล AH, ลอฮ์ AH. นางมารยามน่ะเป็นพระยาอัลลอฮ์น่ะพูดกันตรงๆอย่างง่ายๆแบบนี้แหละเป็นน้องนี่เป็นความอคติได้ของใครนะของพี่น้องผูอ้า ح, อาเซียผู้อาคริสเตียนแต่คุารานพวกนี้บอกชัดเลยไม่ใช่เป็นการบอกปัดบอกบอกปฏิเสธว่าน บ, บีอิสราเกิดมาจากนางมารยามผ่านไม่ผ่านพ่อนะครับ อาต่อมาครับวัลลนีอันัตฟรจามฮัมมัดเออจงเล่าเรื่องอย่างนี้เรื่องนางมรยามให้บรรดาสหายฟังว่าไงครับนางมรยามเป็นผู้รักษาความบริสุทธิ์ของนางไว้วิธีสร้างของอัลลอใ์้นาบีอินาเกิดมาทำไงครับฟานาฟักนาฟีฮาเราได้เป่านาฟ้าข้อในแปลว่าเป่า ว่นาฟักฟานาฟักนาเราได้เป่าเป่าอะไรครับฟีฮาลงไปในานางมารยมเป่าอะไรครับไม่ ร, รูนะ้ใหนาจากรั้วของเราจากรั้วของอัลลอฮ์เลยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้เป่าเองให้ใครมาทําหน้าที่เป่านะท่านยิบรีนอะไลฮิสตาลามให้มะเลยกลายามาทําหน้าที่แทนนี่วิธีการสร้าง นบีไอซาผ่านนางบริยามไม่มีพ่อเป็นต้นหลักเราทำดูนะนี่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของใครนะของอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และก็อาณาจักรนะครับวันละที่อัลฮุสนัตฟาร์เฮ์ฟานฟัคนาฟีฮ์มิรู้ในาจงจำเลือกถึงเรื่องราวของนางบริยามผู้รักษาความบริสุทธิ์ของนางไว้และเราได้เป่า จากรั้วของเราเข้าไปในนางอัลลอฮอักบัตเพราะว่าเปล่าที่แขนเสื้อเนี่ยยิบรียนมาเปล่าขอบคุณลิลลอัลดอัยะต่อไปวาจาลนาฮะและเราได้ทำให้นางอัลลอฮฺผอักบัตทำทำเราได้ทำให้นางมารยมัมละใครอีกครับ ว่บาบันนาและลูกของนางลูกของนางชื่ออะไรนะไอซาอัลัยฮิสลาฮ์ฉะนั้นอ่านกูรานต้องอาศัยตับซ็ดด้วยถ้าไม่อ่านตับซ็ดลูกของนางละใครอ่ะอาลอกมันใหญ่เล่าในรายละเอียดกตออต็ต้องอ่านตับเซ็ดนะต้องอ่านตับซ็ดหลายๆเล่มด้วยอ่านภาษาอาหรับ ด, ดีที่สุดแต่รองลงมา ก, กับภาษาอื่นๆที่อธิบายไว้แล้วนเนี่ยพื่น้องผมอ่านสองภาษานะ อันสามภาษานะอาอุรดูอังกฤษอันสามภาษาเลยนะโอ้พี่น้องแต่คำดุลีละวาเจลนะฮะวาบนาฮะและเราได้ทำให้นางนางมารยามวาบนาฮะและลูกของนางชื่อนบีอีสานี่อายาจัน ต, ตรงนี้ตัางหาพี่น้องอายาเป็นสัญญาณเป็นเอกภพนะสัญญาณเป็นสัญญาณหนึ่ง เรื่องณนะสองคนแต่รวมกันเป็นสัญญาณเดียวเล่าของเรื่องของนางมาริยมเล่าของเรื่องของลูกชายของนางมาริยมเชียงอีนซาเนี่ยสองคนนี้รวมเป็นเรื่องเดียวกันเรียกว่าสัญญาณหนึ่งอัลลอฮฺว่าเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับสัญญาณให้ให้กับใครครับลิลลาลาลมีนแก่นานาชาติ แกมนุษย์ทั้งมวลเห็นอย่างครับกุารานไม่ได้สอนว่าสัญญาณของนบีอีสากับนางมารยมเนี่ยไม่ใช่เป็นสัญญาณเฉพาะกลุ่มมันจะเป็นสัญญาณสลับประเทศม่จะสัญญาณเฉพาะคริสเตียนแต่เป็นสัญญาณลิาอามีนยูนิเวอร์สโลกทั้งหมดเลยพี่น้องทั้งหลายใช่ไหมนี่เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แะ เอานางมารยิยมกับนบีอิสาสองคนนี้เป็นอายะทำเป็นสัญญาหนึ่งให้กระชาวโลกลิลาเลามีนยูนิเวอร์สโลกทั้งหมดนี้พี่น้องได้ใช้ปัญญาได้ข้อคิดทำให้มีอม م า ن เพิ่มอัลฮัมูดิลเลาะพี่น้องต้องรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ในกุรานนี้นะพี่น้องนะอัลลอฮ์ต้องการจะให้ท่านนาบีมอฮัมมัดเล่าเรื่องราวของนางมารยิยมและนบีอีสาลูกชายของนางเนี่ย นะครับเป็นประวัติศาสตร์คู่กับนบีสากรียาและลูกชายของท่านชื่อนะยะยาเล่ามาพร้อมๆกันนางมารยมัมคู่กับใครนะอิซาเล่าถึงสากรียาคู่กับใครนะยะยาเล่าทำไมไปน้องนี่ไงเล่าเรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เอาเรื่องของนาย นบีสกริยานะ่ะแก่แล้วเมียเป็นหมันให้มีลูกได้ใครใครใครทได้เอามาดูนางมารยามกับ น, นบีอิสาไม่มีพ่อไม่มีพ่อยังให้มีลูกได้อันนั้นเป็นหมันนะแล้วก็แกแล้วยังให้มีลูกได้มันเรื่องมันเรื่องปรลาดอนะ่ะฉะนั้นอาญะทั้งหมดมันเป็นสัญญาณหนึ่งให้เราชาชายชายได้นะชายปัญญา ฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ะจะให้ครอบครัวเรานี่นะมีลูกสักสิบคนนี่ได้มั้ยได้ไม่มีปัญหาบางคนไม่มีลูกเลยได้มั้ยได้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสัญญาหนึ่งของอัลลอฮ์ سبحانه และุ์อ า, าลัยอัลลอฮฺอัลฮะมุดุ ล, ลีลาเอาต่อมานี่อายาที่เก้าสิบเอ็ดได้สองสองเรื่องนะครับพี่น้นองต่อมาครับอายาที่เท่าไหร่นะที่เก้าสิบสองอัลฮัมุดุ ล, ลีลา นี่อีกเรื่องเนะเรื่องใหม่อีกนะอินฮาดิฮิอุมมัตุคุมอุมมาตุวะหิดะวะอานะรับบุคุมฟะบุดูอินฮาดิฮิอุมมัตุคุมอุมมัตาวาหิดะ وأنا ربكم ف ع ب, ب ม و ن الحمد لله رب นี่ต้องการจะอธิบายว่านาบีที่มาทั้งหมดมาตั้งแต่นบีอาดามเรื่อยลงมาถึงนบีมุฮัมมัดคนสุดท้ายเนี่ยกี่นบีนะยี่สิบห้าท่านแล้วก็ที่มาได้ประกาศชื่อ น, นะะักบุญคุณอ่านเป็นเท่าไหร่เป็นแสนสองหมื่นกว่าท่านนะ ทั้งหมดนั้นมาสอนเรื่องเดียวมาสอนเรื่องเดียวครับพี่น้องเรื่องอะไรนะเรื่องอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่มาเกิดขึ้นในสมัยนบีมุฮัมมัดไม่ใช่มีตั้งสมัยแรกๆเลยนบี น, นะนะุฮันน่ะเป็นนบีคนแรกที่สอนเรื่องเตาฮิต ส่วนนบีอาดัมนะมีลูกอย่างเดียวให้โกนให้เกิดให้เกิดประชาชาติให้เกิดคนค น, คนในโลกนี้ส่วนนบีนวลนะมาสอนเรื่องตาเหตุหลังจากผู้คนเริ่มไปบูชารูปจเจวตนะครับ น, นบีนวลมาสอนเพราะฉะนั้นาศาสนาอิสลามไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยของนบีมุฮัมมัดแต่มีมาตัสมัยต้นๆของโลกแล้วเอาดูําแปลครับ อินน่าฮะดีอินน่าแปลว่าแท้จริงฮะดี ihi, นี่คืออุมมะตุกคุมหมู่คณะของสู่เจ้าอุมมะเนี่ยแปลว่าหมู่หมู่มูคณะนะครับอุมมะแปลว่าประชาชาตินะีประชาชาติของสูเจ้าหรือหมู่คณะของสูเจ้านั้นอุมมะตาวะฮิดะ เป็นหมู่คณะเดียวกันเป็นหมู่คณะเดียวกันเป็นกลุ่มชนเดียวกันอุ้มมาตันวาฮิดะคืออยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามศาสนาเดียวในโลกที่มาตลอดอะเรามามาดูกันแล้วก็วันนี้มีตั้งหลายศาสนาแต่เพราะอะไรมาแยกทีหลังเดิมนะ่ะ มีเป็นศาสนาเดียวกันหมดนับถืออัลลอฮ์องเดียวใช่หมแล้วต่อมามาแยากเป็นศาสนาด้วยความคิดของมนุษย์เองม่ใช่มาจากนบีพี่น้องมาจากมนุษย์เองตั้งกันเองอะไรกันเองพี่น้องเอาดูต่อไปอินนาฮะดีอุมมัตุคุมอุมมัตอุวาฮิดะแท้จริงนี่คือหมู่คณะของสูงเจา้า อุ ม, มะจันวาหิดตันเป็นหมู่คณะหรือเป็นศาสนาอันเดียวกันคือนับถือศาสนาอันเดียวกันพี่น้องวะอาณาโร บ, บูกุมและฉันนี้หมายถึงอัลลอฮเป็นพระผู้อาภิบาลของสูงเจ้ารอบบูกุมนะครับเป็นพระผู้อาภิบาลรอบบุญแปล ว, ว่าผู้ดูแลผู้เลี้ยงดูผู้อุปถัมพี่น้อง ผู้บริบาลดูแลรักษาทั้งหมดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์มีสิทธตเป็นรอบบุญเป็นพระผู้อภิบาลผู้สร้างด้วยสร้างดวยและเป็นผู้อภิบาลด้วยและต่อมาเป็นอิลลาด้วยเป็นพระเจ้าด้วยไม่ต้องรอบบุญกับอิลาห์คุณนะแปลไม่เหมือนกันนะรอบบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลอิลาห์คุแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าอ่า วาว่านาโรบูกุมและฉันนี้เป็นพระผู้อภิบาลดูแลท่านให้ลมให้อากาศให้ฝนให้เป็นให้ตายให้มีเกียรติให้ลดเกียรติให้มีตาแหน่งสูงให้อยู่ตาแหน่งต่าให้มีผู้หญิงให้มีผู้ชายให้แดดออกให้ฝนตกให้มีกลางวันให้มีกลางคืนนี่เป็นหน้าที่ของรบผู้อภิบาลผู้ดูแลผู้จัดการไปน้องนะ ว่าบูดูนดังนั้นจงคารพบภาคดีต่อฉันอัลฮัมดุลิลลาฮิเบน้องนบีมะนบีมุฮัมมัดกับนบีคนอื่นๆที่มาสอนสอ น, ส อ, นสองเรื่องใหญ่ๆหนึ่งเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวสองให้ศรัทธาในโลกอาคีรอเรื่องใหญ่มีสองเรื่องเพน้องหนึ่งศรัทธาในอัลลอฮ์ว่ามีกี่องนะอัลลอฮ์มีองค์เดียวเรื่องที่สองศรัทธาว่าตายแล้วต้อง ฟื้นตายแล้วต้องฟื้นไปน้องในเตซีตอธิบายตรงกันหมดไปน้องหนึ่งศรัท ธ, ธาว่าอลัลลอฮ์มีองค์เดียวเรื่องที่สองตายแล้วต้องฟื้นแล้วจะอยู่จะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ตำหนิเรื่องการตั้งภาคีการตั้งภาคีอะไรบ้างนับถือพระเจ้าสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อย่างพวกเราชอบไปหาโตอะไรโตตะเกียรชอบไปหาโตโตระยอง ชอกมีอะไรนะอะไรสายตะกุดห่อยโนนห่อยนี่พี่ท่องนั่นชีริกทั้งหมดนะอัลลอฮ์ตำหนินะนบีตําหนินะฉะนั้นอย่ายให้ลูกลูกเรานี่นชีริกทําชีริกต่ อ, ออัลลอฮ์พวกเราเนี่ยเพิ่งเพิ่งเลิกนะที่คงแคสเนี่ยเพิ่งเลิกจึงโจกทักไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยเพิ่งเลิกเนี่ยเลิกความความร่ามานี่แหละพี่ท่องนั่งก็ถทูตําหนิไอ้คณะใหม่มาตลอดเลย พวกวาฮาบีนี่ดูสิมันไม่เอาจริงจกอ่ะจริงโจกนะ่ะมันช่วยเราหนาะแล้วก็อ น, นอกตอนกลางคืนที่ร้องตอนแควกบินข้ามหลังคาบ้านนะ่ะนี่นะ่ะจะมีคนตายนี่ความเชื่อเหล่านี้นะพี่น้องมาสอนกันจนกระทั่งถูกด่าว่าเป็นคณะใหม่อ่ะคิดตัวที่พี่น้องอัลลออลลบะฮฺอัลลอฮเห็นยังไงพี่น้องกว่าจะเลิกความเชื่อเรื่องชิริกนี่พี่น้องต้องใช้เวลาสอนกันกีนก่ปีแล้วถูกตําหนิถูกดา่าพี่น้อง ขอรูกสาวก็ไม่ให้กันน่ะไอ้เรื่องอย่างนี้แหละพี่น้องนะครับทีนี้ในตัฟฟีสอธิบายบอกว่าอะไรนะอัลลอฮ์ทรงสร้างนะครับต้องการที่จะให้คนในประาติคนในประาติชาตินี้คิดว่าคนทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นยมาอาเดียวกันมุสลิมต้องคิดแบบนี้ครับคนในโลกนี้เป็นยะมาอาเดียวเดียวเดียวกันหมดใช่ไหมทีนี้ ไม่มีการขัดแย้งกันหลักการของศาสนาอิสลามที่สอนให้ผ่านผ่านนาบีเด็น้องับมีเป็นศาสนาเดียวกันหมดเลยนับถืออัลลอฮ์องเดียวและห้ามทำชิริกนี่เป็นหลักคำสอเนเดิมที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาู ว, วัตัอาลาเอาต่อมาครับพี่น้องอายาที่เก้าสิบสาวะตะกอบต้อัมรม า, าหุมเบนหุม กุลุนอิไลนารอดิ um> ่งนว่าตัดตั้งอัมรหม์เบนห์น์กุลลุนอิเลนารอดิ่งนนี่คือคําตอบว่าทําไมจึงมีหลายศาสนาอายานี้คําตอบว่าทําไมจึงมีหลายศาสนา มีหลายประเพณีหลายนิกายหลายลทัทธิอ่านดูคำตอบว่ตาตะกอบเป้งแต่พวกเขามนุษย์ชาติยุคต่อต่อมาเนี่ยตะกตอเป้งได้ตัดขาดได้ทิ้งได้หันหลังให้ได้ตัดขาดกับอะไรครับอัมรอฮมกิจการของพวกเขาหมายถึง การนับถือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเขาได้ตัดขาดกับอัลลอ์เรื่องใหญ่ที่มีหลายศาสนาเพราะเขาหันหลังให้กับการรู้จักอัลลอ์สุบฮานะฮูวะาลาเลยกลายเป็นทิ้งอัลลอ์อย่างเดียวนะมีสองศาสนาอ้าวไองสังเกตนะการทิ้งไม่ ย, ยึดอัลลอ์เนี่ยทำให้มีศาสนาคนกาเฟร กับคนมุชริกสองกลุ่มแล้วนะหันหลังให้อัลลอฮ์ปับ๊บทิ้งอัลลอฮ์ปับ๊บกลายเป็นพวกกาเฟสจะอพวกหนึ่งมุชริกนับถือพระเจ้าหลายๆองค์เห็นไหมหันหลังให้อัลลอฮ์อย่างเดียวมีศาสนาใหญ่ๆสองศาสนาหนึ่งเป็นคนกาเฟสสองเป็นคนมุชริกปูตังภาคีพอทิ้งอัลลอฮ์ปับ๊บเป็นน้องตะกุดก็ห้อยได้ พอทิ้อัลลอฮ์ปั๊บไม่รู้จักเรื่องอัลลอฮ์ปั๊บเดีไปหาต๊ะตะเกียร์อย่างหน้าตาบาลเลยเดินต่อว่าโต๊ะตะเกียร์พี่น้องทําไมที่ที่มาการ์น่ะเขาคุมอั น, นั้นน่ะใบใบตุลล่อน่ะเขาคุมทําไมให้ตํารวจมาคุมกับอะไรน่ะกูโบนบีเนี่ยพี่น้องให้ตารวจมาคุมอ่ะพราะคนหลายคนที่ไปทำขี่ธรรมุร่อนเนี่ยชอบไปเอามือไปจับที่รู้ว่ากูโบนบีคิดว่ามีบรารักัด หินนะมันมีประกาตรงไหนล่ะใช่ไหมแล้วผ้าใบตุวรอบแบบเหมือนกันไปจับไปรูปเราไปรูปหินหินแล้วก็เอามาถูหน้าถูตาไม่มีราระการไปร่องเอารอแค่เป็นอาญะเป็นสัญญาณเท่านั้นเองไซนาอุมาตพูดว่าหินเอ๋ยถ้าหากฉันจะไม่จูบท่านถ้าหากฉันไม่เห็นนบีมุฮัมมัดจูบฉันจะไม่จูบท่านอย่างแน่นอนไซนาอุมาตพูดเองนะขนาด รับอิสลามมาใหม่ๆไปน้องครับยังเข้าใจอิสลามนะ่ะดีกว่าพวกเราไม่รู้ว่ากี่เท่าต่อกี่เท่าไปน้องฉะนั้นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีไหมไม่มีครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีผ้าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เลยในโลกมีแต่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นไม่ศักดิ์สิทธิ์คนลาหันหลังให้อัลลอฮ์ปาดนะวาตากะเป่าอัมรฮุม ผู้ใดที่ตัดขาดกิจการของเขาเรื่องเตาไฮปับมีกลาเป็นสองสาศาสนาหนึ่งเป็นมุสริกสองเป็นกาเฟตอ้าต่อมาแคบใบานาหุมในระหว่างพวกเขาเองพื่น้องอลัลลอฮ์ในระหว่างพวกเขาเองทีนี้ถ้าทิ้งถ้าทิ้งนบีอัลลอฮ์ถ้าทิ้ง น, บ, งนบีนะมีกลุ่มบิดาตามมาเต็มเลย ทิ้งอัลลอฮ์มีสองศาสนาอะไรนะกาเฟตกับมุชลิมถ้าทิ้งนบีพี่น้องครับกลายเป็นถ้าทิ้งนบีมุฮัมมัดคนเดียวนี่นะมีกลุ่มยะฮูดีตามมาแล้วก็กลุ่มคริสเตียนตามมานาบีอีสาตามมาเห็นไหมแล้วก็กลุ่มบินอออีกตามไหมไหมตามม า, า, มมากลายเป็นกี่กลุ่มสามกลุ่มแล้วทิ้งอัลลอฮ์มีสองกลุ่มใหญ่ใญเป็นมุชริกกับกาเฟตทิ้งนบีมุฮัมมัด ไม่เชื่อน บ, บีเมื่อหมัดเป็นน บ, บีคนสุดท้ายพวกเราวันนี้ในกทมนี่เยอะนะ ค, คุณแขกเนี่ยนะไม่เอาซุน่าน บ, บีนะแต่ว่าสลวานน บ, บีนะเอาทำเมาลิดนบีเอาแต่จะตามซุ น, าน่าน บ, บีฉันไม่เอาอ๋อพอหันหลังให้กันนบบรนบีปับ๊บมีไปนนะาการเป็นกลุ่มบินอาตามาสองยาฮูดีตามมาสามนาซอรอตามมาสามศาสนาใหญ่ๆพี่ท้องครับบวกทั้ง กาเฟสมุชลิกห้ากลุ่มพี่น้องแล้วจะไม่แตกไม่ขัดแย้งกันอย่างไรอา้าวพี่น้องเข้าใจนะว่าตะกอบตออัมรอฮุมไบนหฮุมแต่พวกเขามนุษย์ชาติยุคต่อต่อมาเนี่ยได้ตัดขาดกิจการของพวกเขาหมายถึงเรื่องเตาเฮเรื่องอัลลอฮ์คือขัดแย้งกันเองในะระหว่างพวกเขา แล้วแยกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้เป็นคณะใหม่คณะเก่าวะอโับดีอลลอต็มไปหมดไปน้องเนื่องจากหันหลังให้กับสุนนะของท่านนับีอย่างเดียวนะหันหลังให้อลลอรมีกี่พวกนะยาฮูมันจะเปลียนากาเฟ ก, กับมุชริกหันหลังให้นบีปั๊บเป็นยาฮูดีนัสโ ร, รณีบิดาอัตตามมาเต็มเลยท่านวิธีที่กขจัดเบียะง่ายที้เดียวตามสุนนะนบีจบ อัลฮัมดุลิลลาฮฺอาตอมาครับกุลุนอิไลนารอจิฮุนทั้งหมดอ่ากุลุนจะเป็นศาสนาดามีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันพป็น้องเอาหกลุ่มได้กลุ่มกลุ่มสุนนะเราเนี่ยที่ยึดศาสนาอิสลามแบบถูกต้องเลยนะทั้งหมดนี่นะกุลุนทั้งหมดนั้นอิไลนารอจิอูนเป็นผู้กลับมาหาเราทั้งหมดอัลลอฮฺจะเป็นผู้ตัดสินในวันเตี้ยมา ใครผิดใครถูกได้รางวัลไม่ได้รางวัลลงโทษไม่ถูกลงโทษอัลลอฮ์จัดการในในวันอาคิรอบหมดเลยครับอัลลอฮ์เนี่ยได้รับความรู้ไหมอัลลอฮ์ได้รับความรู้เราทรระยะเวอาเดียวรับความรู้เยอะมากนะครับพี่น้องอ้าต่อมาอายาสุดท้ายจบวันนี้ ف น ن ي ม م ل من الصالحات ม <c oughs> ه و م มิน فلا كفران ُْ ل س َ ع ي ه و, له ي ال و إن له َ كاتبون فمن يعمل من الصالحات َ وهو ُ مؤمن ُِ فلا َ كفران ُْ ل ِ س َ ع ي ه و إن له َُ كاتبون الله أكبر นี่ให้กำลังใจคนที่ยึดสุนนะนบีและคนที่ปฏิบัติตามสุนนะนบีปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลอ่าพี่น้องตกลงว่าอิทที่มันขัดแย้งกันนะเพราะหันหลังให้อัลลอฮ์ปั๊บกลายเป็นสองกลุ่มหันหลังให้นบีกลายเป็นสามสี่กลุ่มใช่ไหมพี่น้องเอามาดูคนที่เข้าหาอัลลอฮ์เข้าหาสุนนะนบีเป็นไงครับฟ้าไม่ยากมัน ดังนั้นผู้ใดประกอบอามัญาแมนแปลว่ากระทาดังนั้นผู้ใดที่ประกอบมีนัสโซลิฮัสจากความดีทั้งหลายป ร, ประกอบความดีหนึ่งจากบรรดาความดีทั้งหลายคำว่าความดีนี่เป็นน้องคิดเองได้ไหมเรียกว่าความดีนะถามว่าคิดเองได้ไหมไม่ได้ต้องคิดเหมือนใครเหมือนที่อัลลอฮสั่งและนบีปฏิบัต เราเรียกอามันที่สอแล้วคิดเองไม่ได้พี่น้องอายุยุกตัวอย่างเนี่ยเช็ดบนถุงเท้าถามพี่น้องเคยใส่ถุงเท้าวันสองวันคนเดินทางให้แค่สามวันผมทําประจําอยู่บ้านให้วันกับคืนหนึงอะ่ะเช็ดบนรองเท้าเนี่ยเวลาจะอาบน้ำน้ำหมาดพี่น้องไม่ต้องถอดถุงเท้าแล้วยกเท้าขึ้น ไปที่โรงแรมนี่พี่น้องไปโยกท่ายังไงเราล้อว่ามันมันลําบากนะเช็ดบนถุงเท้าเช็ดข้างบนนะพี่น้องเราน่ะเดินข้างล่างแต่เวลาเช็ดเช็ดข้างบนนี่แตาว่าเอาใช้ใช้ปัญญาคิดเน่ยถ้าเช็ดข้างบนมันจะสะอาดได้ยังไงมันต้องเช็ดข้างล่างใช่ไหมนะเพรเราเดินเนี่ยไซนาอาลีพูดว่า ศาสนาถ้าเอาปัญญามากำกับนะการเช็ดรองเท้าต้องเช็ดข้างล่างไม่ใช่เช็ดข้างบนระเข้เช็ดข้างบนนะใครสั่งอลัลลอฮ์สั่งนี่ไง่ยงายม้องไร้นะครับแต่นั่นเอาสติปัญญามาใช้ไม่ได้เลยศาสนาพี่น้องต้องปฏิบัติ ต, ตามคําสั่งของอลัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นนั่นเรีย ก, กว่ า, าศาสนาอิสลามถ้าเอาถ้าเอาปัญญามาใช้ปั๊บอลัลลอฮ์เช็ดบนรองเท้าเนี่ยเช็ดไม่ได้เลยอ่ะ เพราะมันเช็ดข้างบนราวกับเดินข้างล่างแต่มันเช็ดข้างบนเช็ดทำไมข้างบนข้างบนสั่งทาตามเลยพี่น้องตรงหลา Akbar, หอัลลออับดุลเห็นมยิ่งใหญ่มากนะครับเอาต่อมาครับฟาไ ม, ม่ยมันมีนสอหรฮัดผู้ใดที่ประกอบส่วนใดจากการดีทั้งหลาย วาหูวามุมินและเขาเป็นผู้ศรัทธามีอยู่สองเรื่องนะหนึ่งจะทําความดีถ้าหาว่าคนทําความดีไม่ใช่มุมินอลัลลอฮ์ไม่รับเอาเอาคนกาแฟ่มาถือบวชยังก็เล้าเนี่ยคนที่มาดูจักอลัลลอฮ์เนี่ยเอาคนฝั่งโน้นที่มาเนี่ยเอามาถือบวชมันก็บวชยังก็เท้านี่ละตั้งแต่เช้าจนเย็นเลย เขาว่าผลลบุญได้ไหมไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เป็นมุมินแต่อัลลอฮ์สั่งเลยนะ น, นี่นะวาหูวะมุมินคนที่ทำความดีหัวใจของเขาต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ด้วยทําความดีโดยหัวใจของเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รับไหมไม่รับครับอีกอย่างนึงเป็นมุมินแล้วอัลลอฮ์พอใจไหมพอใจแต่ยอมันซอริฮัตไม่มี อามัณฑ์ที่โซแล้วมัมีอัลลอฮ์รับไหมไม่รับเห็นไหมฉะนั้นเป็นมุมินอัลลอฮ์รับแล้วเป็นคนดีแต่ต้องมีอามัณฑ์ทีซแล้วด้วยใช่ไหมครับเป็นมุมินถ้าไม่บวชเป็นไงครับไม่มีประโยชน์ไม่นมาสดไม่มีประโยชน์ไม่อ่านคูอ่านไม่มีประโยชน์ไปน้องฉะนั้นเป็นมุมินต้องมีอามัณฑ์ที่โซแล้วเป็นทําอามัณฑ์ที่โซแล้วแต่ไม่ใช่มุมินอัลลอฮ์รับไหมไม่รับครับ แค่ท่านเงื่อนไขของคนที่เป็นมุมินหนึ่งต้องเป็นมุมินสองต้องทำตามอัลล์สามทตามสุนนะนบีมุฮัมมัดสลอะยวะลมถึงจะเรียกว่าอามันติซอแล้วนะครับทีนี้คนเป็นมุมินทำอามันติซอแล้วน่ะเป็นไงครับฟาลากุฟรนเขาจะไม่ถูกปฏิเสธเขาจะไม่ถูกบอกปัด เขาจะไม่ถูกปฏิเสธหมายความว่าความดีที่เขาทำนั้นอัลลอฮ์รับหมดไม่เคยปฏิเสธเลยขอให้มีอีมานศรัทธาร้อยเบอร์เซ็นต์และทำตามสุนนะนบีทำเพื่ออัลลอฮ์สามรายการนี้ฟาลากุฟรอนอัลลอฮ์จะไม่บอกปฏิเสธเลยบันทึกทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องลิซาอีฮี การวิริยะอุตสาหการทํางานของเขาที่เขาเหน็ดเหนื่อยจากการนำมาแต่ฮัตยุสมีไม่มีเหน็ดเหนื่อยจากการนำมาตรวีมีไม่มีผลบุญอันนี้ถูกบันทึกจารอตลอดหมดเลยถือบวชไม่มีงานใดเหนื่อยถ้าก็ถือบวชนะรอพอสามโมงเย็นละท้องมาร้องจอกแจกจอกแจกเนี่ยนั่นแหละดีที่สุดพี่น้องท้องยิ่งร้องมากเท่าไหรนะร่างกายยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นพี่น้อง อ๋ออาบัดให้หิวหิวนนะพี่น้องอล๋อนมาก็ครูชัวทําอะไรกครูชัวหมดพี่น้องแต่ต้องเลิกทําบาปนะไปดูหนังเอกอยู่ได้อ๋อถือบวชก็ถือบวชดูหนังเอกอยู่นั่นแหละพี่น้องไปดูเข้าโรงละครดูหนังสมัยก่อนผมทำมาก่อพระขนงเท่นี้ไม่มีไปพระขนงแอบแฝพระขนงบ่อยไปดูหนัง ไปค่าเวลาบาปอย่างแรงเลยไปน้องมาสำนึกตัวตอนแก่นี่ยอัสตาฟิรร ล, ลทาทาไมเนี่ยก็หนีพ่อไปหนีมะไปไปทําบาปไปไปน้องบาปแค่ดูหนังนะไปน้องเอาละฟาลกูฟรอนาลิซาอีดังนั้นจะไม่มีการบอกปัดจะไม่มีการถูกปฏิเสธการเหน็ดเหนื่อยของเขาการวริยะอุตสาหะของเขา อัลเลาให้ฟังนะสบายใจไหมสบายใจว่าความดีที่ทํานั้นอัลลอฮ์บันทึกไหมบันทึกอัลลอฮ์ปฏิเสธไหมอัลลอฮ์ไม่บอกปัดนะเอาต่อมาครับว่าอินนาลาหูกาติบุลและเราเป็นผู้กาติบแต่ว่าบันทึกอัลลอฮ์พี่น้องว่าอินนาลาหูแท้จริงแล้วลาหูสําหรับเขากาติบเป็นผู้บันทึก ที่เขาทําทั้งหมดนั่นถูกบันทึกหมดเลยอธิบายยังไงเอา้าไปน้องจำได้ม้กไหมมีมาลัยกากี่ อ, องสององค์ใช่ไหมอยู่ที่ซ้ายขวาบันทึกซ้ายบันทึกเรื่องชั่วขวาบันทึกเรื่องดีเนี่ายกุลอาณาญาเนี่อธิบายชัดเลยว่าอินนีลาหูอันนี้เรียว่าฉั้นนาะแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกนาะเนี่ยที่นั่งนั่งอยู่ มัส jid นี่อัลลอฮ์รู้หมดในบันทึกหมดแล้วเนี่ยมีกี่คนที่นั่งหลับกี่คนมีบอกหมดนั่งสอบกี่คนคนที่ตั้งใจฟังอยู่อัลลอฮ์ให้คะแนนหมดเลยครับไปทั้งหลายว่าอินนี้ว่าอินนาละหูกาติบูนอัลฮัมดุลิลลาฮิเบนทั้งหลายสรุปจากอญญาย่านี้ก็คือว่าจะเรียกว่าความดีได้ต้องทําตามอัลลอฮ์และสุนนะนบี ข้อที่สองจะเรียกว่าความดีในผู้ทํานั้นต้องเป็นมุมินอัลลอฮฺอักบัร์พี่น้องความดีของมุมินที่เขาทําจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆก็ตามหรือว่างานใหญ่ขนาดไหนก็ตามในวันเตียมะจะถูกเปิดเผยให้เห็นทั้งหมดอยู่บนตุยานีอัลลอฮฺไม่เห็นหรอกครับแต่วันกตียมะอัลลอฮฺจะเปิดเผย ของที่เราทาทั้งหมดทั้งน้เราเห็นกุญอ่านตรงไหนครับอะไรนะอิดาอิาจาซุลนะว่าไม่ยามมิสคาลัรติน خ ียะรอว่าไม่ยามมิาลัรตินชัรอียะรอความชั่วที่เขาทำเล็กน้อยเขาก็เห็นมันความดีที่เขาทำเล็กๆน้อยๆ้อยเขาก็จะเห็นมันพี่น้อง เนี่ยทำหาอิมานเพิ่มหมอิมานเพิ่มสรุปการทำความดีทุกรายการต้องมีเงื่อนไขหนึ่งเป็นมุสลินเขาต้องเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอ์ถ้าไม่มีการศรัทธาความดีที่เขาทำนั้นจะไม่ถูกรับแม้ว่าท่านจะเห็นว่างานที่ทำนั้นเป็นความดีก็ตามที่ภาษาอุรุอธิบายนะเพราะเอจาจตภาษาอุรุมาอธิบายนะครับถ้าหากไม่สั หัวใจไม่ศรัทธาต่ออัลล์แต่ทำความดีเหมือนคนมุมินทำคนนั้นทำความดีอัลล์ให้รางวัลไหมไม่ให้รางวัลเพราะเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาละพี่รองครับนี่ทั้งหมดสี่อายะอัลลอ์ได้ความรู้เยอะั้มเยอะมากครับพี่รองที่ผมประทับใจก็อายะที่เก้าเกสบสานะครับคนถ้าทิ้งอัลลอ์เนี่ยมีกี่าศาสนาสอง ศา ส, สนาคาเฟ่กับศาสนาอะไรนะมุชริกอ่าถ้าหาันหลังให้นบีกลายเป็นกี่กลุ่มหนึ่งยะฮูดียะฮูดีแหละลองเชื่อนบีมุฮัมมัดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมุสลิมเลยนะ่ะพวกคริสเตียนนะ่ะลองเชื่อมูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายปั๊บเนี่ยจบไหมจบเป็นมุสลิมเลยพอหันหลังให้นบีมาปั๊บเนี่ยกลายไปกลุ่มกลุ่มบิดอาตามาเลยแล้วก็กลุ่มยะฮูดิตามมานัสซอร์ีตามมาเพราะหันหลังให้กับนบีใช่ไหมนท่านเราเนี่ย เป็นมุสลิมแล้วต้องยึดเอาสุนนะนบีทุกข้อนะเอามาใช้นะนะครับอย่าเลือกมาปฏิบัติอัลลอฮอย่างเนี้ยบางคนนี่นะไม่กินอาหารสะฮตอนตอนตอนะนะตอนที่สนะีนไม่กินสะายนอนกินตอนนู่น่ะตีหนึ่งรีบกินรี บ, รบกินแล้วก็นอนเลยสุบโบก็ไม่ตื่นเอาตื่นเจ็ดโมงเนี่ย อย่างเงี้ยถูกตอนในโซน่าไหมไม่ถูไม่มีบรรยากาศฉะนั้นอย่าทำพยายามทำตามสุ น, น่านาบีไป อ, อย่างงี้ละสินอดนะด้วยอินทรพาลามของหวานหวานที่ไม่ผ่านการไม่ผ่านไฟอาหารที่ไม่ผ่านไฟดีกว่ากินอาหารของหวานที่ผ่านไฟเข้าใจนะละสินอดด้วยของหวานที่ไม่ผ่านไฟจะทำให้ทานไปแล้วเนี่ย มันไปอุดช่องโหวทั้งหมดที่มันขาดตรงโบก้องอยู่ในร่างกายเนี่ยอินพารลัมน่ะดีที่สุดพอทานปั๊บพี่น้องมันไปทาไใ้ร่างกายจะสดชื่นเฟรชแล้วก็เหงื่อออกนั่นแหละร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ละสินอดเมื่อได้เวลาอย่าว่าตากะกะแมอยดากกิจตะกะเหลือเกินได้ยินเสียงราดาร์วิ่งเข้ามาเลยอย่าไปตำหนิให้เขาแก้บวชตรงเวลาอย่าลืมนะ อ, นอ่านดุาบิสมิลลา Allahu malakasumtu و على رزقك أ ف ط ت ذهب الزمام و بطلت العروج و سبت الأجر إ ا ل ل ه พี่น้องแล้วก็สาหูนี่ให้กินใกล้ๆจะหมดเวลาพอกินแล้วอัานคูอ่านสักกีอายาดีห้าสิบอายาแล้วก็ได้เวลานัมาสบอ ا ن ุกะหลุมมะบิฮัมดิ์กัสวัลลาอีลาอลอันเดอัลตัฟิลุกบบตูบไลอุสลามุอะลัยุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบรกตุ